้า้งก็เหมือนเดิมชีวิตมีแต่อะไเดิมนะเหมือนเดิมเบื่อหมก่อนจเดิมจำซ้ซากแต่จริงนะชีวิตข้างนอกก็เหมือนเดิมเดียวทางานาการก็เื่อหาเงินหาเงินเพื่อมากินมที่ยวมาไรต่างๆวนๆเดิมจำซัำนะขับรถจากบ้านไปที่ทางานทางานเสร็จก็กลับมาที่บ้าน บนเวียนตั้างาที่ตั้งเดือนทั้งปีธมรกีป่ปีนะปีนี้เปนเดิมท่านั้นนะม่รู้บนนีร้รกี่ก็กกี่ชาติเปลี่ยนอาชีพบ้า ง, ง, ปางเป็นสถานะบ้างเปเป็นคนเป็ี่ยนเป็สัตบ้างนะยนงปืนขับถ่ายนะเกิดแก่เจ็บตายมีแต่เดิมเดิมนะเดิมเดิมนะอันนั้นถ้าเราจะมาปฏิบัติธรรมเรารู้สึวกว่าเดมเดินก็ไม่ ก็เรียกว่าก็มันก็เหมือนกันนัแหละบางทีบางลองบางทีก็เราที่ว่าปฏิบัติทำทำแต่เดินเดินซ้ำซ้ำซ้ำตาน่ะหาเปิดจะจริง้ลองที่นันทีชีวิตที่ผ่านมาเราก็หึงเหมือนกันนั่นแหละแต่มาแต่มามองว่าต่างจากการนิดหนึ่งคือแต่ก่อนวัตตาเก่ามันทำเดินเดินซ้ําๆแต่มันวนแบบไม่มีที่สิ้นสุดคนมาเมื่อกี่คบกีบข้าวแล้วคุณก็จะต้องวนต่อไปเรื่อย แต่การมาผูดผักเป็นปบแบรรำแม้บางทีมันต้องถือในการทํำแรงดำเนิ น, นสั้นทักษาแต่ในการตัดวัตตาได้ตัดการดิบนร้าวใเกิดได้การที่บางทีเรามาเรียกว่าตั้งใจที่อยู่กับการภาวนาทั้งในรูปแบบบ้างนอกรูปแบบบ้างเอออารมณ์รู้จักรู้เท่ากันขัดตาขัดตาคือการกระทบ ตามหูจมูกทิ้งายใจภาษาก็คือรูปลดกลิ่นเสียงปวดสัปพักก็คือการสัมผัสทำมมาลมคือการสัมผัสทาใจถ้าเรามารู้ทันเนี่ยมันจะเป็นการฝึกหัดเพื่อตัดวัตถุโศกสารของเราได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันต่างจากเก่านะต่างจากกล่องงาในชีวิตเรามันจะเห็นทางออกของชีวิตเหมือนแต่ก่อนมันเหมือนชีวิตมนวนวนเรียนไม่เห็นทางออกะ ไม่เห็นทางออกแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเห็นได้ว่าทางออกในตรงนี้มันคืออะไรทางออกของชีวิตมันอยู่ตรงไหนม า, า, าทัพสสาพะเขรียกว่าเริ่มเห็นฝั่งล้วแต่ก่อนรอยคอหยุดการมหาสมุทไม่รู้ว่ฝั่งอยู่ทิศไหนลอยไปเรื่อยเื่เริ่มเห็นฝั่งแล้วอ๋อรู้แล้วว่าอะไรจเป็นตัวนําทางเริ่มมีตัวช่วยมีอะไรให้กาะให้ลอย ไปยืนตัวเอาะลอยข้างมาถึงฝันได้ในหะ้นั่งมาได้บางทีนะบางทีเราภาวนาบางทีมันรู้สึกจืดรู้สึกชื้นไ ม, ม่มีสีสันเข้ากับลรกลิกก่เสียงภายนอกนะเข้ากับการสงบคิดสงบ ก, กับอยู่อารมณ์บงทีว่าแต่นั่นก็เป็นการเห็ผิดอย่างหนึ่ง น, นะงผิดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราผิดนะแต่ คือมันยังเก็บไม่ถู่เก็เฉยยังไม่เข้าใจมากขึ้นเก็บเฉยยังไม่เข้าใจตรงเก็เฉยมันก็เลยเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นสรุปก็กเป็นแบบนั้นแต่ลองภาวนาไปเรื่อยมันจะเห็นานาแค่ที่มันเป็นสีสันสสรูปรา่างิ้เสียอะไรต่างๆมันก็เป็นแค่เรียกว่าเครื่อ ง, ร, องร่าความิดเองที่ทําให้เราติดเกี่ยวกับโลกนะโรคใบนี้บ้างโลกคืออา ร, รมณ์ของเราบ้างนะ มานทำให้เราติดหรือพบโรก็ต้องทนเรียนเกิดแก่เจ็บตายไม่รกิจพบกี่ชาติกนาะรภาวนาจะช่วยให้เราเข้าใจนะเข้าใจวัฏฏะสงสารที่มีว่าเกิดเข้าใจทางที่จะออกจากวัฏฏสงสารตรงนี้ได้นะเราก็จะเป็นการเดินทางออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะรอออกตอนที่จะไปตายนะ ตอนไปถึงนิพพานอย่างเดียวไม่ใช่นหลอกทุกครั้งที่เรามีสติทุกครั้งเรายึดตัวเร อ, ออเราตัดว่าตัดสงสารได้รอบนึง่งนะตัดว่าตัดสงสารได้หนึง่งรอบเหมือนกล้งจอนะกลงจรความทุบมันโดนตัดนะมันดนรู้ทันไปแล้วหนึ่งครัง้งเราก็ทำลายหนึ่งครั้งแล้วถ้าสมมติเปรียบเทียบ น, นะนบนะมันคอ้ายคล้กองรับนพสมมติหนังจีนนะกองทัพตบลาข้าบลานกันใหญ่โต การที mostra, mas, media, good, Again, is, uh, so, ่เรารู้ทันกิเลสปัญหาได้แต่ละครั้งก็เหมือนกับค่าคนทหารได้ทีละคนสองคนไปเรื่อยๆนะมันก็ทําได้นะค่อยๆเรียกว่าทําลายยิ้รล้อนะตัวนั้ไปเรื่อยก่อนนการที่เรารู้เท่าทันกิเลสก็เหมือนการที่เราเรียกว่าทําลายความโกรธขีดไปหนึ่งครั้งมันก็ดีอ่ะมันก็ดีทำแบบแนบบ่อยๆดีกว่าเราลงไปกับเขาะการบอกแบบเขาละเหมือนกับการ ให้เข้ามาสมสู่กันสร้างกองพักใหญ่โตขึ้นไปนะมีรูปมีฐานกองเต้าไปเป็นทวพยายใหญ่โตไปเรื่อยๆนะการทรารู้ทันเนี่ยเป็นการตัดตัดกำลังของมันลงไปบ้างนะแต่จริงถ้าเราสังเกตที่จิตใจนะสังเกตที่จิตใจจิตใจในตอนที่รู้ทันกิเลสรู้ทันกายก็ดีจิตใจมันเป็นปกติของมันอยู่จิตใจมันเริ่มทุกข์ทักข์ข่าวนะ กรื่องชัววช่วคจากกับชั่วคราวนะเป็นการเริยนิพทานชัว่วคราวนะก็ อ, อย่างดีนะถ้าเราปฏิบัติวิพทานชัว่วคราวนิพทานชิตรอนิพทานในปัจจนะุบันนั้นความไม่คุกในปัจจนะุบันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นของจริงนะก็เลยรอรับผลวิพทานใะนอนาคตแั่การเรื่องหน้าเรื่องเกินนะสมัยก่อนนะเวาเราต่อที่ผ่านนะอ่าก็จะรอ ก็ถือมรดกนิพพานะนนามตการเบื้องหน้าถึงอกุิวชาติหน้าโน้นเธอนะมีแต่ชาติหน้านักทำบุญไปเนี่ยงอาจมาไปสวดมนต์ตามงานตกบ้านนะมาดกถายกมีจะบอกชาติหน้านั้นไป้รัมรดกนิพพานชาติหน้านะหรือบางทีบางคนนะตัดสำวนิพพานไปเลยนะอคล้ายๆแอดให้ได้แบบ ให้แกได้แก้บุญจิตเสด็ตัดจำรับไปถึงนิดมอกผลนิดพานในตำหนักป็นเรื่องที่บางทีเราตัดสิ่งที่สําคัญที่เกิดสิงที่เด็กที่เกิดในในพระธรรวินัยนี้มีพุทธศาสนาอันนี้ออกไปมันก็เหลือแค่เปลือเหลือแค่กระพี้เหลือแค่กิ่งต้านใบเฉลน่ยมันไม่เข้ถึงแก่นอานภาวนาตอนนี้เราช่วยรักษาแก่ไว้แต่เราต้องไม่ปฏิเสธ เหตการ์ยใบถูกเพี้ยต่าง computer, ถ้ามันพอเป็นเหตุสัจจัยที่จะทาให้คนมาสนใจเราแเ้็เนังรักษาอธิบายไว้อยู่แบแจะทดภาวนาจะนักง ภ, ภาวนาจะดีได้กับเราได้ทำความเข้าใจตรง น, นี้เป็นอยานักนะทำความเข้าใจตังเรเองนี่แหละมันจะทาให้เราเข้าถึงปั่นทผ่านาได้แล้วก็จะเป็นคนช่วยให้คนอื่นกขา้าเข้าถึงปากก็ี่ไม่ผ่านาด้วยมันสำคมาก นั่งปฏิบัติร่วมกันของรัการะทาคก็เพียนดูนะดูกายคล่อนไหวเอาขวาสันน็อคดูนอนขวาแตะดูก็่ต้งนั่งบนเก็อี้ดูกลวงพ่ตึก็ได คือรูปแบบนี้มันอาจจะไม่เหมือนวิธีอื่นนะวิที่อื่อ น, นะอนมาก็นั่งหลับตานิ่งไปเลยแต่นิ่งไปได้ไม่รู้ว่านิ่งเพียไหนบางคนก็นิ่งถูกบางคนก็นิ่งไม่ถูกนะดูอาจารย์ก็ทําตามท่านแต่การภาวนาแบบยกมือโยนขีอามาไม่รู้วารจิตเ็อื่นนะแต่เห็นอาการใจนอกประกอบเลย อนุมานได้ว่าแต่ละคนวางใจแบบไหน <c oughs> นะประสบการณ์ในการสอนมันการบอกประสบการณ์จากปฏิบัติตัวเองก็บอกกันแหกะนะว่าเราก็เคยเครียดแบบนี้เราเคยโนะลงไปมือกั้นนะเราเคยเมอเราเคยจมเราเคยวางใจตัวเองนะมันก็เห็นตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองเปรียบ กับประสบการณ์การสอนในการเห็นได้โยมมันเห็นง่ายนะเห็นง่ายกว่การนั่งนิ่งๆแบบตามทีไม่เห็นหรอกดูยากเพราะว่าเรามีรู้ในสภาวะที่เงียกแบบนั้นจิตใจเป็นแบบไหนแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้รู้เลยเคลื่อนแบบไหนกะมันพอดีความใจแบบไหนมันพอดี มันเก่งไปไหมมันเก๋ไปไหมมันกอดูได้ ม, มาล้างได้ลองนะยกเลยดูเป็นครั้งเื่นทั้งหนึ่งรูทั้งหนึ่งเล่นทั้งหนึงดูทั้งหนึ่งในใหมนะ่นักพยอยามอย่ากงหน้ากลมตาินไปเหนื่อยหน้าเนื่ตานิดนึง มองไปแต่ไม่ได้เปิดใจถึงที่มองนะเนอยนิดีนึง่คงคนี่ก้มมันจะซึมเองไม่ได้นะแต่ถ้าบางคนกุ้งมากถ้าสมมติต้องไปเจออารมณ์ภายนอกนะการสำรวจตาจะไปช่วยแต่ที่จริงอยู่ในที่ปฏิบัติความที่มีเครื่องปฏิบัติทำนี้เนี่ยนะถ้จะเป็นละกก้มมากก็ สื่อต่างๆที่มันอยู่ในกระเาปฏิบัติธรรมมันไม่ไมไมช่ชวยให้เราฟุงไปหรอกส่วในห้องนะี้มองไปก็มีแต่เรียกว่าเตดานตี้านนะ ม, นมีแต่พระนะมันไม่ชวนภุ้งไปเท่าไหร่หนะแต่ถ้าเจอแล้วนอกมันโอ้ไปเดินในตาลาดสดตรเนี้เดี๋ยก็เพือเลียงเดี๋ยวก็มักคพื่เดี๋ยวก็ขนมไปนั่นะสหรับพระเนี่ยถ้าแบบน้ต้องสดนมากนะ เคยเดินรู้รร ท, ทุกทุกอย่างนะอาจจะขี้หนียวหนักเลยนะเนี่ยนนแบบนี้นตอนสำรวจต้องรู้จกเรือที่นะที่ที่รุ่นวายสำรวจตาช่วยสำรวจหูช่วยนะดีแต่ที่ที่วุ่นวายแต่ไปรับประทก็รวังมากนะมันจะติดความสง บ, บนะมันจะเพ่มเกินไปเนี่ยความฉลาดสำคัญบางใจอย่างนี้ น, บบ น, นนะ อั น, นั้นมันจมามัรถบอกได้ว่ามาตรฐานในแต่ละคนในแต่ละศาสนาเป็นอย่าง้รมันอยู่ที่มันอยู่ที่การปรับให้พอดีในแต่ละศาสนาช้าเร็วอย่างไรหนละังใจแบบไหนหลางตาแบบไหนเนะมันมันเอาสถาบันเราช่วยเลยมันช่วยอยู่ในทางปรับ ยืนเพืเ่อส้มในตำดาตาเนาะเปลี่ยนตาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลื่อนมันรู้เผ็ดไม่เป็นไรเลยใจมันเห็นใจมันเห็นแต่ชัดไม่ชัดรูด้อย่างที่มันเป็นดีแต่ถ้าเราบางทีเราหลับตาเพื่อมัน ม, ม, มีบางทีนะไม่ใช่ว่าทุครังทุกคน มันมีความยากที่เห็นชัดแต่นั้นนี่งพราะความยาเป็นเหตุับให้เกิดความทุกข์เ <c oughs> ม, มองไปเนื่องจากบางทีมันเอมบางทีจะหับได้ก็ไม่ติดนะแต่เกิดแบบลืมก็ดีนะดดักนอนลืมจมรวมในขณะที่มันไม่ควรลูนะ ก okay. ารการปฏิบัติธรรมนั้นเปิดอายตนะทัหกตาหูจมูกลิ้นกานะยนะา ใ, ใจปกตินะอามาเคยสอนคนหมูหนวกนะปิิเก้าวันนะมาบวดไปชีวัดนะตรวจสินสทานะ เราก็ข้อหูหนว่าเขาตัดเดิ่งสิ่งลบดีทำ ห, หูได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ทำได้เร็วกว่าเรานะหูหนวกตาบอดกายไม่รู้สึกเป็นน้ำผ่ามันดีไหมมันไม่ใช่ว่าไม่มีอายุะนะแล้วจะดีกว่าบางทีเรากับขานอายุตนะ ลังคาภาษาที่มากระทบไอ้กินภาษาที่มากระทบนะมันเป็นครูสอนเราที่นี่จุง ต, ตาเห็นรูปรู้สึกอย่างไรหมูินเสียงรู้สึกอย่างไรกายสัมผัสกายรู้สึกอย่างไรใจรู้สึกอย่างไรมันเห็นห น, นะปิดใจกรุงแดงทำให้คนคิดใจก่อนเกิดความสุขความทุกข์เกิดเรื่องของกายอีกเอ อย่างไรเห็นไหมมันสำคัญแบบไหนแม่เป็นครูสอนตัวสุดทางนั้นเลยนะดังนั้นเรามีเท่าไหร่แล้วก็ทช้ที่มีแหละไม่ใ ช, ใ ช, ใชอนะ่อยากไปลดไม่ใชนะ่อยากไปเพิ่มอยากลดก็ผิดนะอยากเพิ่มก็ผิดมีก็ใช้างที่มันมีมม จะง่วมานก็เลี้ยวลขึ้นนะหรือว่ากระบให้มันชัดขึ้นนะมันไม่ผิดที่จะง่วนะไม่ผิดที่จะงอแต่ลองดูไม่ผิดประกอบง่วงลองดูนะฝัง่วงเห็นมัน แต่ไม่อยู่กับมานเห็นความง่วงเกิดขึ้นแต่นี้เขาเป็นง่วงเห็นจะไม่สนใจเขาเห็นเขามาสนใจการเคลื่อนไหวคนง่วงจะทำอะไรไม่ได้นะง่วงทัน ตรงี้ว่าบางทีก็ตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วหายใจมันยกขันะ้นสู่ตรงหายใจเข้าก็ออกยาวตั้งใจถือออกทิเรีนเข้าไปในเป็นเลือดเขาเ้าไปในสม อ, อง้ความสกิลเกิดขึ้นนะตั้งใจในส่วนนั้น เรืับเลยน ะ, นะท า, ไ, าไปก็รับเปยิ่งวารีกรรมก็ยิ่งแบบเพิ่มไปเลยนะหลวพ่อแลได้ก็หพคนเขียนถ้าไม่ได้เจอแตงส่วนแบบตัวเป็นๆแต่วนอขอเขียนจนมาม้ไปหาจากนครสวรรค์ไปหาหลงพ่อที่สุกโตทั้งไฟหวานหลพ่อก็แนะนำสองทางหลองพ่อาอาจจะไม่รู้ว่าเขานํางไม่ไดได้เาบอก ถ้าพอหายใจได้ก็หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวก็ได้นะรู้ไม่ใช่อยู่พออยังนะรู้นักไม่ชอยู่หรือถ้าปิดมือได้ก็ปิดมือปิดมือได้ก็ปิดมือนี่ยฉนั้นโยมีอายุนั่นแต่คนแค่นอนปิดมือปิดมือไงายปิดมือพ่อแม่ก็ทําได้ปิดมือรู้สึกปิดมือรู้สึกเนี่ยทำแค่นี้ได้คือหลักสำคัญคือเคลื่อนไหวข้างใด เติมความรู้สึกตัวเข้าไปนิสิตากิจวัเคลื่อนไหวเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเราทําการทํางานเคลื่อนไหวใช่ไหมทํางานบ้านทางานที่บริษัทที่หน่วยงานไหนแล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวนี่เติมความรู้สึกตัวเข้าไปนิสิตากิจัตรไม่ใช่เราต้องรอเวลาในการเป็นแบบนี้ต้องการเราเติมเข้าไปเติมสติเข้าไปรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันใจที่มัน ออกไปในการพิสูจน์ใหม่พอเราทํางานเราจะไม่มีสมาธิในการคิดเรื่อว่าจะต้องดูกายตัวเวลาแต่เราก็ดูเท่าไปดูได้ใช่ไหมพอเวลาใจออกไปจากงานที่เราตั้งใจทํางานในการเขียนงานในการคิดงานในการพูดงานการคำนวลในต่างประเทศใช่ไหมพอใจมันเผยออกไปจากงานตรงนั้นเรารู้ทันใจแน่เป็นการมีสกันตอนนีต้องใช้ความคิด ไม่ต้องใช้คำพูดก็ดูการเคลื่อไนไหวนั่นคะือตารปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันซึ่งเราทุกคนสามารถทําได้ดูการเคลื่อนไหแล้วก็รู้สัมผัสใจที่หนุนเผไปในขณะที่มันออกไปจากเรื่องการเรื่องงานเรื่องที่เราตั้งใจทํานตอนนั้นนะั่คือคือประสบคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนักเก่งให้ถ้าพวกเราง่วงนอนนะให้คิดถึงแต นอนปฏิบัตินะก็ยังผ่านตัวง่วงได้นะนอนปฏิบัติปีนมืเนี่ยง่วงมากนะมีง่วงแต่เราถ้าเราตั้งใจกินก็ก็ออเดี๋ยวคงง่วงได้เรานั่งบ้างเดินบ้างนะไม่ยังง่วงไงแต่คนก็เลยถามจะง่วงไหมง่วงแต่ก็แต่คนหรือเราใหม่ๆพอตื่น แต่ถ้ามันรู้จักความม่วงคราวนี้มันก็เลยเรียว่าออกจากความม่วงได้ต้องรู้จักมันจะนั่งจะออกจากมันได้หนั่นเองรู้ความม่วงเป็นแบบนี้ไม่เข้าไปอยู่กับความม่วงเป็นแบบไหนนองถ้าเราสังเกตนะแต่ก่อนเราเราเคยว่าเราเข้าไปอยู่ความม่วงนะบางทีเราอยากผักใส่ควม่วงแต่ก็เป็นผักใส่แบบเป็นกุ้งขี้กับมันบะหมี่เต๋อ เราก็เลยเกิดจิตทีม่มีโทรสากแบบแบบห่วงครับไปตื่นยะังไงบ้างได้ดูอาจารย์บางคนคนรั้แรกไปครัมัาก็เป็นั้แรกตัาเียวเยังไงคิดถึงพ่อไห ม, ค, ไหมคิดถึงไหมพ่อเดียวหนึ่งไม่มีการวันนี้เนาะคิดถึงเกื่อนคนิดหน่อยตามสัหารสน้ำกายนะ ปฏิบัติทําได้นะปฏิบัติับได้นะเป็นแค่ให้รู้สึกของการเคลื่อนไหวรู้สึกการเคลื่อนไหวดีๆนะพี่จริงมาเชื่อนะแม้แต่อย่างสภาพผู้ป่วยที่เรียกแบบนอนแบบเทื่อราเรียว่าเหมือนไม่มีเหมือนนอนแบบไม่รับรู้อะไร่ะกายอาจจะเคลื่อนไหวอะไไม่ได้เป็นเพียงมาเชื่อว่าใจแล้วก็รับรู้ได้ คนทนได้มากก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเปิดได้ถ้าจิตเขาเริ่มเห็นสามรถก็เปิได้เป็นการแค่คอยตามรู้ทันอาการของจิตเขาก็สามารถกลับนด้หมือนกันอันนั้นน่ะที่จริงในพวกภูมนุษ์น่ะตัวเนี่เหมาะในการตัึกษาปฎิบัติทำมากเลยนะแต่ถ้าพวกภูอื่นก็อาจจะยังต้องเรียรู้นะเป็นเรื่องเกิดความรู้วามสมาพของเราแต่เราก็เห็นน่ะ ในครบคุนะัวนี่แหลมันเป็นเรื่องที่สามารถลได้นะทุกคนทุกเพศทุกวัยนะขอจะเป็นใส่ใจตั้งใจได้วหน่อยมาว่าอุปสรรคที่สำคัญต่อหน้าปฏิบัติธรรมโยว่าเลยอ่ะอุปสรรคที่สำคัญปรอบการปฏิบัติธรรมเลยที่เขียนแล้วใส่ด้วย <c oughs> แต่รก็เห็นด้วยในเศษซ่อยที่เรศไม่ต้องอะไรนะที่เอศแต่ความขี้เกียจที่เริก็เ็นือขี้เกียจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เลื่อนานะความขี้เกียจมันมันจะแก้ที่ไหนความขี้เกียจขี้เกียจอยู่ในใจเราอยูนตัวเราเนาะแก้ตัวเราเนาะเกตัวเรา เนี่ยก็ดูนะความขี Co ้เกียจจะเป็นแบบไหนเราสังเกตเลขี้เกียจนี่ยใครจะแก้ความขี้เกียจได้บ้างแก้แบบไหนแก้แบบไหนก็ขี้เกียจฝืนฝืนฝืนได้บ่อยไหมไม่ได้บเอยนะเป็นบางช่วงนะพยอยางเป็นบางช่วงมีส่วนไหน เออนี่ขี้เกียจจนหาก็ไมนะอได้แล้วถ้าเราไ่รู้ว่เขี้เกียจแล้วเรจะขี้เกียจไปเรื่อยเรืาไ้แต่ตอนนี้มันขี้เกียจจนอเองนะเพราะขี้เกียจจนแบบว่าโอยไม่ไหวแล้วมั้งแต่พอจะรู้ตัวแล้วก็ยขี้เกียจนานเป็นวันหรือว่าหลาย แร้วกับขี้เกียจมันไปไกลหมดเท่ากันเองแล้ว ว, <c oughs> <c oughs> วิธีอื่อนมีไหมแค่แบบกนนีคนส่วนใหญ่ที่เวลาเราชวนมาปฏิบัติธรรมคนมักจะชอบบอกว่าไม่มีเวลา<อ>แต่นีถ้าถามในควาว่าเกี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเวลามีเวลาตลอดแต่อันนี้หมายในตวา การปฏิบัติเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าต้องนั่งหลับตาพอดานหรืออะไรแต่หม่ว่าขณะเหมือที่อย่างสุนิาการเจาย์อย่านี้ถ้าจิตใจเราสามารถปล่อยวางได้อะไรได้คือธรรมะที่ในความเข้าใจความรู้สกของตัวเองเนี่ยคือขณะที่เราทำอะไรอยู่ทุกอย่างเรามีสติรู้คือมองธรรมชาติชีวิตประจำวันเนี่ย ใช้มาให้มันเป็นประโยชน์เพราะอย่างไัคนันผมเคยเคยที่คิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้ผมเคยเดินไปแล้วก็คือไปเจอชี่อซึ่งมันเป็นยุ่งเป็นกลุ่มคือด้วยความเสียดายก็คือเก็บกลับมามาถึงหลานว่าถามว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ตอนนั้นผมได้คิดถึงตนะคิดด้วยความเสียดาย พอหลานถามว่าทําอะไรอยู่ผมก็เลยบอกว่ากําลังแก้ชีวิตยอยู่คือคำว่าแก้ชีวิตหมาว่าผมที่แรกผมตั้งใจจะแก้เชื่อเส้นเนี้ยโดยไม่ให้ไม่ให้มีตาหนิหรืออะไรแต่ผมแก้เท่าไหร่แก้ไม่ได้พอหนึงพอผมเริ่มมีสติขึ้นว่าก็เอาตรงนั้นมาใช้กับชีวิตของตัวเองว่าปัญหานี้ถ้าเราไม่ตัดไม่ปล่อยวางหรืออะไรเนี้ย เราก็จะไม่สามารถแก้ตรงนั้นผมก็จะค่อยๆแก้ๆไปเรื่อยๆว่าตรงไหนที่มันตรงมีอ้ผมตัดที่งแลวก็ปล่อยรอดเชื่อไปแก้มาเรื่อยๆจนเมื่อเรามองออกกับตัวนี้ถ้าเรามาใช้กับชีวิรัตปัญหามีความอํานักเลยมันตัดที่ไปปล่อยรองไปเลยเราก็สามารถเดินไปทำงานได้แล้วแก้เสร็จเรื่อยๆบางครั้งถ้าผแก้ไม่ได้เมียงเก็บไวเหมือนผ้าติกตะขะคือตะคะที่มันดักดักไว้ใช่ไหมคือถ้าเรายิ่งดิ่น มันจะรัดตัวเราได้มากขึ้นแต่ถ้าเราพยายามประคองตัวคือไม่ฝืนคือพยายามรักษาประองอยู่ในลักษณะเดี๋ยวถึงเวลาก็าถึงเหมือนมีผู้ใจบุญผ่านมาเออสงสารเมตตาก็จัดเราช่วยเราในลักษบางครั้งก็าเกียบตัวเองเหมือนเครื่องรับปัทยุคือถ้าเราไม่ปฏิบัติในลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนเราไม่ได้เปิดเครื่อง เวลาที่อาจารย์ส่งขามมาส่งกระแสมาเราก็ไม่สามารถได้ส่วนใหญ่ผมจะมองสิ่งรอบข้างในการที่จะมาใช้ใช้ในการทำผมไม่ทราบว่าถูกไหมครับดีดีนะในตั้าแต่สบายอาจารย์มาสอนได้นะราก็เห็นตัวอย่างจะนำมาสอนได้เองเนี่ยนะดีนะเพราะว่าที่โยเกียร์เทีนนะเ็่อยต้นใจทั้หมดท้งแหล่งใช่ทังหมดลเียแต่ว่าเราก็ต้อง คำที่มันเรียกว่าขยันในการทำาธินั้นเรียกได้ว่าตอ น, นั้นมันเป็นคล้ายๆความคิดได้ตอนี้มันต้องคิดได้เป็นกลังใจเดี๋ยวคิดเรื่องในการแก้ไขปัญหามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่นเนต้องเจแล้วเราจะฝึกหัดทำจิกระทั่มันมันคล้ายๆแก้เชือกนหมดกลมเลยนะมันจะมีกลมอะไรก็แล้วแต่นะ เราแก้เจอทั้งมันไม่ต้องมีงานครับ้นะหือว่าเป็นไาที่ไม่ต้องติดไม่ต้องติดกับดักแล้วนะั่นก็นปลอดภัยที่สุดนะแต่ในชีวิตประจำวันของเราก็เจอบ้างวนะ่ามีปมปัญหาชีวิตเจอกับจกักอะไรต่างๆมากมายแต่ละพักแต่มาว่าบางทีแต่ปัญหาภายนอกนะปัญหาภายนอกงทีมันแก้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเลยทำใ้ชาช่วปัญหา โดยเฉพาะร่างกายแก้ไม่ได้มีแต่แก้ได้ปัญหาเรื่องการเรื่องงานเกี่ยวข้องผู้คนมากมายสัญหาประเทศไทยก็ไม่มีอะไรยิ่งหน้าไหนแก่ได้เราแต่เราก็พยายามที่จะทําหน้าที่ในการแก้ไขให้มันดีขึ้นในเรื่องกายว่างเรื่องงานบ้าเรื่องใหญ่เหล่นั้นก็ทำบ้างแต่ก็แต่เราก็ทําไปด้วยพร้อมกับยอมรับผลจริงไปด้วยว่ามันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็เป็นเหตุผลใจของเรน เราเตัดสินปัจจัยนี้เท่านั้นแต่บางทีเกี่ยวข้องกับปจัจจเยอะแยะมากมายใช่ไหมเราก็รัดใจอยอมรับเลยนะเพราะเราตับใจอยอมรับตรงนี้ในอัตที่แ่้ปัญหาเราเส็ไม่ทุกใช่ไหแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยทุกข์ด้วยบนด้วยแบบนะ่อถ้าบดกด้วยทุกข์ด้วยมันก็เรียกว่าเันมามักติดย้ำก็ที่จริงบางคนบางคนจะใช้คเนี้มันตึนใช้เป็นคาที่รวมกัน คำว่าปัญหากับความทุกข์บางคนจะมองเป็นเรื่องเดียวกันแต่มามองเป็นคนละเรื่องนะมองว่าปัญหานี่เป็นเรื่องภายนอกความทุกข์นี่เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของใจปัญหาเป็นเรื่องภายนอกซึ่งมันแก้ตามเหตุตามผลใจเแต่ความทุกข์เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ที่ใจของเราดังนั้นเจอปัญหาอะไรกแ้วแต่นำมาวัดเป็นอีเรื่องันปัญหาบางอย่างแก้ได้ปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้ แต่ความทุกข์ใจถ้าเรามีสติจะ แ, แคร์ไขได้เปลี่ยนจากความทุกข์กลาเป็นความไม่ทุกข์ได้ถ้าเรามีสตินะ่จะเห็นนะความทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อเห็นนะความทุกข์ก็หายไปทันทีความโลภเป็นแบบไหนเมื่อเห็นความโลภความโลภก็หายไปทันทีเหมือนกันนะนีบางทีถ้าเรามีสตนะิมีนะบางทีคนน่าเคทําในบางทีกลัวปัญหากลัวความวุ่นวาย อยา่านนยจะหนีารงานหนีโรคมนีผู้คนหนีสารพัดที่ว่ามีปัญหาได้หนีไม่ค้นหรอกนะแต่จะลงเลียงตามค้ารา้เา็จแต้องมนีไม่ทังหมดหลอกนะจอยู่ว่าชปัญหาแบบอยู่ว่าอยู่ป่าที่ปัญหาแบบอยู่ป่าอยูนะไม่มีใครหนีปัญหาได้สุดท้ายจะีไม่ได้ปัญหาเรื่องกายตัวเองนี่แหละเด็บใครได้หน่วยนีไม่ได้นะแต่เรจะวางใจแบบไร ในขณะที่เจอปัญหาวางใจแบบไหนในขณะที่เจอการกระทบของโลกธรรมทั้งหลายเนะี่ยสุดทุกในลาเสเดิมลาสได้ยศเดิมยศอินทารันลเลเซอร์นะเราจะอยู่กับมันแบบไหนนะ่สิทธิบารมในการใช้ชีวิตซึ่งอาตมาว่าการปฏิบัติธรรมอย่างเรียกว่าสุดสติน่ะมันด้ช่วยให้เราเรียว่าโดนกระทบแต่ไม่กระเทือนนะหรือกระเทือนมันก็กระเทือนไม่มาก แต่เธอเราก็กลับมาเป็นปกติได้นะแต่ตรงนี้เป็นการสูกที่ถ้าเราสูดน้ำมันจะเกิดความมั่นคงจิตใจที่มีหน้าที่คือจิตใจที่มันคงไม่บันไหวโดยอารมณ์ก็มันจะไม่วันไหวหรือได้ก็องมีสติรู้ทันความจริงนะมันถึงจะไม่วันไหวไม่ใช่ไม่วันไหวเพราะว่าเป็นโกเป็นกดหรือว่าไปไม่รู้ไม่คิดนะคนไม่ทุกข์ก็ไม่รู้ไม่คิดใช่สังเกตไหม อย่างมุนถ้าเราไม่ไปหาหมอไม่ไปตรวจเจอเรื่องรกระเด็นก็สบายใจปกติกายนางทอาจจะก็แข็งแรงเนาะพอเป็นโรคกระเด็นมุนหอกใจหอบเหี่ยวไปทุกเลยใช่ไหกายรู้สึกไปก็มีบางทีมันไม่รู้มันเลยไม่ทุกแต่ก็ยังไม่ใต่ความจริงแต่มุนสิสติรู้แต่ไม่ทุกนะรู้ความทุกข์ของกาย แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยรู้ถึงปัญหาแต่ใจไม่ทุกข์กับปัญหาด้วยนะในตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราฝึกสติได้แต่บางทีอย่างบางคนเนี่ยฝึกสติแบบช่วยให้กายก็แข็งแรงขึ้นเลยนะเดิมสติจช่วยให้กายแข็งแรงรู้จักสังเกตกายขับถ่ายเจุลชีพบรรพาวะชร่างกายที่มันขึ้นไปไม่ได้ก็ดูเส้นเลือดดู อะไรอาการต่างๆที่มันบอกที่ไม่หน่ยๆไปในตายนะมันก็บอกเลกินได้เหมือนกันเขาเกษยรทำให้กายดีขึ้นนะแต่กายก็เป็นมีตุกจรณที่ยุ่งยากมากมายนะดูแรขนาดไหนใหนหมอพ่อเขียนก็เป็นเมื่อยนะอยู่หัวระสี่สิกปีอยู่กับป่ากินอาหารของพ่อเขาชอบกินอาหารธรรมชาตินะก็ยังเป็นของพ่อเทียนก็เป็นเมื่ อุบายการตายตาตาจะเป็นมะเร็งมากมายหนละายคน เ, เกียชีวิตไปาคนยังไม่เสียชีวิตนะบางทีเรื่องของกายางทีก็รักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมชาตินะแต่เรื่องของใจเรารักษาตื่นตัวเราเองนะมไม่ได้ดีทดรอานาน ก, อนนะะกนนะแต่เราภาวนาตั้งแต่ต้นแต่ตอนท้ายเราเคยมสาสนอนมนตอนก่อนสี่โมงครับ เอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าใครต่นั่งคาเฟ่ชิดิจทางโนนใครเลยก็มาฝังทางนี้นะแ